Morning time Morning time ลุยให้เห็นจริงไปดู Knowledge ที่นี่ MJU Radio FM 95.5 MHz ตามความ Knowledge นะคะยาม Knowledge <Metro. S 1> โคมไฟที่สวยงาม fight this lonely night รอบหัวและริมทางเดินดุนญาอยู่ในสนาม But คือทุกสิ่งที่มีความหมาย you no บอกคอยฉันจริงๆ <San> ความสุข แก้วน้ำฉันจำบันไดคงไฟที่สว่างขอบรัวและรินทางเดิน right ดี ต้อนรับคุณ Knowledge นะคะทางสถานี น. น. นะคะ น. น, น. ทันชนกนะคะ Knowledge นะคะตามไปนะคะ 2562 ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นตอนที่คุณ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่อง ดร. ทิติพันธ์ชิมสุขคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมงานนะคะได้ ถ้าเป็นเรื่องของกาลิโก้นะคะอาจารย์ค่ะถ้าพูด วันนั้นก็เป็นวันที่จิ๊บที่บอกว่าอยู่ในกระเทียมแล้วมันจะระเหยง่ายง่ายมากๆที่ที่อ่าคราวที่แล้วที่เรา เม็ดแบบค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าถ้าเรารับก็ค่ะค่ะวัน ค่ะค่ะก็นิดนึงก็คือว่าแคนเซโลเนี่ยไม่มี ค่ะจริงเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังต่อมันมีหลายสาย 3 อีกชนิดนึงก็คือสารอ๋อสมุนไพรค่ะแล้วอัญชันอัญชันรวม 4 ตัวนะคะโกจูราลัมพาจีนนะคะ Cansero อาจารย์ไปประกวดงานวิจัยนี้นะคะคุณผู้ฟัง Innovative formulation of herb extract ใช่มั้ยคะ herb extract ก็คือสมุนไพรแต่ 4 ตัวค่ะ 4 ตัวแล้วก็ formulation ก็ 4 ตัวนี้ต้องผลิตด้วยนวัตกรรมการผลิต สาร 4 ตัวนี้นวัตกรรมค่ะที่เท่านั้นอาจารย์ แคนเซโรค่ะอาจารย์จริงๆแล้วจริงๆตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาเอกเนี่ย เมื่อจบมามาโจ้ๆ อ่าเราสามารถใช้สมุนไพรค่ะ นะคะแล้วก็ดึงสารสกัด ค่ะคือเจ้าสมุนไพร 4 ตัวทั้ง 4 ตัวที่นํามาอาจารย์ผ่านการมี ทุกตัวเนี่ยล้วนเป็น anti cancer ภาษา ยับยั้งเซลล์มะเร็งอือค่ะซึ่งมันก็คืออนุเอลค่ะซึ่ง ความจริงพืชตัวอ่ายับยั้งเซลล์หรือแคนเซอร์เซลล์เนี่ยมันมีขนาดเล็กลงค่ะแล้วก็ เป็นอย่างดีมั้ยคะหรือว่าๆค่ะ 1 ปี 1 ครั้ง ในช่วงฤดูหนาวในช่วงฤดูหนาวค่ะค่ะแต่ค่ะค่ะเรื่องราว 4 ตัวแล้วก็เรื่องราว จริงหรือเปล่าๆแล้วเราๆอืมๆแล้วก็สมุนไพร นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า นะคะๆอย่างๆ เราอาจจะป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ 3 ที่ 4 แล้วแล้วก็ใช่ค่ะ เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะว่าความ เราเตรียมพร้อมมองด้วยว่าจริงๆ4 อย่างที่บอกก็คือไม่อย่าง ห้ามผลิตให้ได้เฉพาะในห้องแลบอืมต้องค่ะค่ะ อ่าไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารเคมีคราว สารจากคืออ๋อ ไม่มีแอลกอฮอล์หลงเหลืออยู่แล้วหรือไม่มีตัวทําลายที่ ปลาสดกับปลาตายแล้วอย่างเงี้ยมันมันซึ่ง ถ้าเรา 2 ตัวนี้คือ 2 ตัวนี้เค้าเรียก หรือเราจะทําเป็นผงไม่ขึ้นรูปเม็ดก็ ซึ่งโดยทั่วไปถ้า 4 ตัวจริงๆแล้วมันมี อือแต่แน่นอนว่าไม่มี เซลล์ๆอืม 1 mm hmm. ในค่ะค่ะเพราะว่าอย่า ก็มีองค์ประกอบเป็นไขมันเพราะฉะนั้นเหมือนกับอ้อฉันรู้ มันก็เลยมีความ 10 นาทีตําแหน่ง มันแสดงว่ามัน Active นั้นแล้วๆแล้วมันถึงออกฤทธิ์ได้เร็วเพราะ นะคะอืมคุณผู้ฟัง นะคะ, 4 ตัวคือโกจูลานะ 4 ตัวกันเลยทีเดียวกันๆ ค่ะแล้ว 4 ตัวนี้เนี้ยด้วยกระบวนการที่ๆของแล้ว จะเป็นอย่างไรนะโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งนะคะไรนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งนะคะซึ่งมีจะจะ Knowledge ค่ะวันค่ะ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 เธอก็ชั้นเลดมัวๆก็โดดเด็ด Morning Time. Morning Time. Tanıtıyorum, tanıştırıyorum. Lütfen dinleyin. Bu programı dinleyenler için biraz bilgi veriyorum. Bu programı dinleyenler için biraz bilgi เติมความรู้ในยามเช้านะคะกับรายการแม่โจ้ Knowledge ค่ะอาจารย์คะเมื่อช่วง เวลาที่เราเอาไปใช้กับผู้ป่วย นะคะมุ่งกันในการทําลายเซลล์โดยที่เราไม่จริง ตัดสินใจเนี่ยนะคะก็จะเดือนอืมนะคะ อันดับ 1 ต้นๆเลยของของเพศหญิงนะคะมะเร็ง ตรวจเลือดตรวจนะคะค่ะอ่ะมันจะมีคํานึงก็คือเค้าเรียกใช่ทูเมอร์มาร์คเกอร์แสดงว่าคนที่เป็นมะเร็งค่ะใช่เซลล์ มันมีเซลล์มะเร็งในร่างกายมันที่ได้ 3 เท่า เป็นแน่นอนเป็นแน่นอนแต่ถ้าสูงเล็กๆน้อยๆนี่อืม พร้อมกับมันทําลายด้วยค่ะเพราะฉะนั้น 3 คุณ ร่องรอยประสานค่ะจะมีภูมิต้านทันว่าร่องรอยนะคะแต่ ไม่ใช่กระตุ้นภูมิการอย่างเดียวต้านอนุมูลอิสระด้วยภูมิกันอย่างเดียวต้านภูมิมูลอิสระด้วยอืมเพราะ ถามว่าเค้าสู้มั้ยภูมิกันร่างกาย ก็ทําหน้าที่นั่นแหละเพียงแต่ค่ะเพียงค่ะไม่ใช่ค่ะก็ ค่ะ 4 ตัวนี้นี้ทําไมถึงไม่กินอ่าโกจูลาลำพาอีก 3 ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในขณะค่ะค่ะค่ะค่ะก็ก็เนาะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนอย่างนะคะ ลิทๆทั้งนั้นค่ะซึ่งๆนะคะอันนี้ก็คือ ก็จะสามารถที่จะรักษา 3 ตัวๆนี่เองอ๋อนะคะมันคือ เราผู้ป่วยเนี่ยกิน 4 ไปโกจูราลัมพาจีนกระเทียมโทนค่ะคือจะลดขนาด มันฆ่าพร้อมกับช่วยช่วยกระตุ้นค่ะกระตุ้นเซลล์ข้าง นะคะๆค่ะ 4 ตัวเอ่ออ่า แต่อันนี้เราจะต้องทิ้งช่วงให้ร่างกายมีลักษณะของ 6 เดือนนะคะถึงค่ะ 100% เลยค่ะฉะนั้นค่ะ สามารถรับประทานได้ไหม 3 ตัวนั้นก็คือสารสกัดจากฟ้าทลาย ค่ะหรือสารสกัดจากอัญชันนะคะ นะคะคือเพื่อชนิดเดียวเนี่ยไม่ได้ ก็เป็น anti parasitic จริงๆให้ 4 ตัวค่ะๆในจริงๆแล้วตอน นะคะในเรื่องของการทดๆ อ่ะก็ได้ต้องเป็นต้องคีโมก็ได้เพียงแต่คือๆ ค่ะนะคะเดี๋ยวก็จะให้เบิร์ด MRI อ ทำ, อ ะ, CT scan การมันอาจจะเช่นเดียว 1 2 3 4 กับ 4 ตัวจริงๆขึ้นอยู่กับ 1 ไประยะ ค่ะนะๆอย่างที่บอกก็คือ 10 นาที 15 นาทีนี่ กินยาตัวจริงๆแล้วจากประวัติที่เก็บสถิติได้ 1-2 เดือนอ๋อนะคะค่ะก็ นะคะก็คือ แต่ว่าการอาจารย์เวลาของรายการน้อยมากค่ะ รางวัลอะไรบ้างก็ 2 ที่ไม่ 2 รางวัลมากกว่า<ใช> 2 รางวัน 2 ที่งานแรกเนี่ยจัดขึ้น 12 ที่จัดขึ้นโดยองค์กรจัดขึ้นโดยองค์กรนะ นะคะเป็นโกเมดอลนะคะ 5-8 งานนั้นคือจัดที่ฮ่องกง ในงานนี้ก็ประทับใจมากงานนี้ก็ประทับอ่าเป็น <ป>สะคราไว้อะไรที่ๆคือผลิตภัณฑ์แคนเซโร่เนี่ยได้รับรางวัลนะ 100% นะคะเพื่อ มีๆเกิดค่ะๆ Cancero เพราะฉะนั้นแล้วไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะ F&B Organic จำกัด 02 986 5250029865250 ค่ะคุณค่ะตอนที่ worldwideweb.mju ค่ะทุก knowledge นะคะที่เราออนแอร์ไปออนไลน์ นะคะ. ดร. เจอกันอาจารย์ค่ะยินดีค่ะค่ะ Morning Time Morning Time ตามไปกับ MJU MJ Radio FM 95.5 MHz ตามความกับ